เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สามวันที่แปดชาขคืนวันศุกร์ฉันยีบสั้นๆแค่เดียวๆจิตตื่นโพลงสว่างสวัยแม้ขณะกำลังหลับฉันรู้สึกถึงพลังของจิตรู้สึกถึงพลังขับแห่งสติที่ ท, ทรงกำลังพอใจจะมีความรู้พอใจจะสอดส่องเข้ามาในขอบเขตกายเวทนาและสภาวะต่างๆของจิต สิ่งใดปรากฏชัดในขณะหนึ่งหนึ่งก็ดูสิ่งนั้นโดยไม่ตั้งแง่รังเกยียจว่าหยาบหรือละเอียดไม่มาดหมายว่าฉันจะต้องดูของละเอียดอย่างเดียวเพื่อความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นเพราะตระหนักว่าจิตอาจก้าวหน้าแล้วถอยหลังได้ตลอดเวลาถ้าถอยหลังแล้วไม่กำหนดสติรูปของหยาบให้เสมอระดับกันก็เท่ากับปล่อยจังหวะนั้นทิ้งเปล่า เพราะแม้พยายามรู้ของละเอียดเกินตัวก็ไม่อาจรู้ได้อยู่ดีเช้านี้ลมหายใจปรากฏเป็นลำชัดสว่างสวยัยเป็นสัมผัสทางใจที่เป็นจริงเป็นจังราวกับตาเห็นสายน้ำตกหรือเหมือนเห็นงูแก้วเลื้อยเข้าเลื้อยออกผ่านโพรงว่างกว้างขวางเห็นทันกระทั่งหัวกับปลายมีลักษณะรีมนส่วนลำมีลักษณะเป็นท่อบาง ความสว่างชัดของวัตถุอันเป็นที่ตั้งของสมาธินั้นเท่าที่ฉันทราบมาคือนิมิตชนิดหนึ่งยิ่งแจ่มชัดสมจริงและตรงตามรูปพัณฑ์สันธานที่แท้เพียงใดยิ่งเป็นนิมิตทรงคุณภาพมากขึ้นเท่านั้นในระดับที่นิมิตแสดงสภาพอันปรากฏจริงนี้เรียกกันว่าอุคหะนิมิตมีประโยชน์คือเป็นที่ตั้งที่แน่นอนของจิตได้ยืดยาว ฉันเห็นลมหายใจโดยความเป็นอุคหานิมิตมาเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่คมชัดเดี๋ยวเดียวแล้วจางลงถ้าอยากเห็นอีกต้องเร่งกำลังใหม่ไขความสว่างกันใหม่ด้วยอาการน้อมนึกดีๆไม่เข็นเกินไปแต่ก็ไม่ปวกเปียกเกินไปบางทีอุคหานิมิตก็หายหุนเป็นอาทิตย์แค่รับรู้สภาพลมเข้าออกชัดและมีความเย็นนิ่งธรรมดาเท่านั้น แต่ครั้งนี้ต่างไปฉันรู้สึกถึงกำลังยิ่งใหญ่คล้ายรถที่มีแรงม้าสูงซ่อนขุมพลังไว้ใต้ปลายเท้ากดลึกลงไปเพียงใดก็เร่งเครื่องขึ้นได้มากเท่านั้นจนฉันเผลอไปอิ่มใจกับพละงกำลังเหลือเฟือในตนกระซิบกับตนเองว่าผู้ยิ่งใหญ่ทางจิตเขาเป็นกันอย่างนี้เองทำให้รัศมีจิตกว้างก็ได้เร่งแสงให้เจอจ้าก็ได้ หรือแผ่อำนาจหน้าครามราวกับจกักรพรรดิก็ได้เท่าว่าพอทำจิตใหญ่ๆ โ, โตได้พักหนึ่งสติก็ผุดขึ้นเตือนว่ามัวเล่นไร้สาระอะไรอยู่การบังคับให้จิตเป็นไปตามต้องการนั้นคือการส่งเสริมความลำพองเพิ่มเติมขนาดอัตตาพอกหนาเป็นกำแพงขวางมรรคผลเปล่าๆ เ, เท่านั้นเอง จิตก็เชื่องลงหันมาดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นแบบเป็นเหตุเป็นผลนั่นคือเมื่อลมหายใจลากยาวสามารถรู้เห็นได้แช่มชัดจิตก็จะยิ่งผนึกแน่นเป็นปึกแผ่นมากขึ้นทีละน้อยและเมื่อไม่ทำความสำคัญว่านี่คือลมหายใจฉันนี่คือจิตฉันแต่เห็นแบบเป็นเหตุเป็นผลว่า เพราะมีลมยาวสติจึงยาวตามเมื่อมีสติยาวความมั่นคงจึงต่อเนื่องนานไม่ได้มีความมั่นคงของจิตอยู่ก่อนไม่ได้มีสติรู้ชัดอยู่ก่อนกับทั้งลมหายใจก็ไม่เที่ยงแม้ประนีตเพียงใดก็มาจากความว่างภายนอกแล้วต้องคืนกลับสู่ความว่างอีกและอีกจึงเกิดความตั้งมั่นในแบบที่วางเฉยในความตั้งมั่นนั้น ฉันประคองสภาพตั้งมั่นวางเฉยพักหนึ่งรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทำได้จับต้องได้ควบคุมได้โดยที่สติรับรู้ความเป็นเช่นนั้นไม่ตกไม่คลาดเคลื่อนไม่แปรปรวนไปไหนฉันดูไปเรื่อยๆยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแ ล, แล้ววินาทีแห่งประสบการณ์ระดับมหคักตกุศลก็อุบัติเมื่อทุกอย่างคล้ายวูบลงเหมือนเครื่องบินตกลุมอากาศกระทันหัน ความสว่างนวลละอาหายไปเหมือนห้องที่เปิดไฟอยู่ดีๆแล้วมีใครมาปิดพรึบทั้งหมดเกิดขึ้นในหนึ่งอึดใจเล็กๆจากนั้นก็ตามมาด้วยความสว่างโพลงมโหราณอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในชีวิตจิตรวมลงเด่นดวงกว้างขวางฉายสว่างเหมือนการแผดรัศมีของอาทิตยามเที่ยงเหมือนเข้าสู่มิติแห่งความหยุดอยู่กับที่ไม่มีเวลา ไม่มีอากาศไม่มีตัวตนมีแต่ความตรึกนึกถึงสายลมหายใจยืดยาวและนุ่มลึกที่ผ่านเข้าออกกายอันบัดนี้คล้ายเป็นเครื่องสูบลมเข้าออกขนาดยักษ์จิตหยุดเป็นหนึ่งเหมือนไม่มีเวลาแต่ลมหายใจยังทำตัวเป็นเหมือนเข็มนาฬิกาที่เดินไม่หยุดแต่ละลมเข้าออกคือมหาปีติมหาปราโมท ชุ่มฉ่ำซ่านเย็นไปทั้งกายใจประสบการณ์แรกเป็นความรู้สึกแปลกไม่เคยสัมผัสไม่เคยกระทั่งคาดมาก่อนว่ามีอะไรอย่างนี้ด้วยโลกไปเก่าเหมือนสาบสูญไปเหมือนฉันพลัดเข้ามาในเขตปราสาทยักษ์ด้วยความตื่นตะลึงในสภาพอลังการเพราะนึกว่าโลกนี้มีแต่กระตอบหลังเล็กๆที่เคยอยู่อาศัยมาชั่วนาตาปี ปราสาทมั่นคงกว่ากระต๊อบสังกสีลึกลับปานไหนจิตอันเป็นฌานก็มีสเสถียรภาพเหนือกว่าจิตสามัญลึกลับปานนั้นนานเพียงใดฉันกําหนดไม่ถูกรู้สึกแต่ว่ากําลังถดถอยทั้งที่ยังเสพสุขยิ่งใหญ่ไม่อิ่ม้นำพอจิตกลับมาอยู่ในสภาพที่คิดได้ความคิดแรกที่ผุดขึ้นในหัวคือเข้าใจแล้วว่า จิตแห่งพรมเป็นอย่างไรเข้าใจแล้วว่าเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในชานสังยุตว่าผู้กระทำให้มากซึ่งฌานย่อมสั ง, งจากการและเป็นผู้โน้มน้อมไปสู่นิพพานดุดแม่น้ำคงคาต้องไหลบ่าไปสู่ทิศตะวันออกนาทีนั้นฉันไม่ใหญ่ดีในสภาพยากในโลกใบเล็กเลยแม้แต่น้อย หากนิพพานเป็นธรรมชาติอันพระพุทธองค์และพระสาวกทั้งหลายสรรเสริญว่าเหนือกว่าสุขในชาญก็แปลว่าผู้เข้าถึงนิพพานย่อมไม่มีภาวะใดเปรียบอย่างแท้จริงตระหนักซึ้งในบัดนั้นว่าโลกปรากฏเป็นของเล็กจ้อยคับแคบก็ด้วยจิตโลกปรากฏเป็นของโอรา n พันลึกก็ด้วยจิต และบุคคลจะถึงที่สุดของโลกถึงที่สุดทุกก็ด้วยจิตเช่นกันฉันย้อนทบทวนสภาพที่เพิ่งผ่านมาที่รู้สึกเหมือนไม่มีเวลาเพราะจิตเด่นดวงเป็นหนึ่งรับรู้แต่กายและลมยาวไม่รู้อย่างอื่นไร้ความคิดแผ่วผ่านดุดเดียวกับท้องฟ้ายามปราศจากเมฆและฝูงนกจรผ่านแต่ความจริงชาญจิตยังอิงอยู่กับเวลา มีความคลี่คลายไปจากความเป็นอย่างหนึ่งสู่ความเป็นอีกอย่างหนึ่งหน้าที่ของผู้เจริญสติในหมวดจิตคือเปรียบเทียบด้วยความรู้ชัดว่าสภาพเมื่ออยู่ในฌานเป็นอย่างไรสภาพเมื่อออกจากฌานเป็นอย่างไรเมื่อเห็นแล้วแล้วเล่าๆจนชินก็เห็นเป็นธรรมดาว่าทั้งฌานจิตและสามั ญ, ญจิตต่างก็เป็นธรรมชาติที่อาศัยเครื่องปรุงแต่ง ต้องแปลาจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งแน่นอนไม่ช้าก็เร็ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ฉันจะได้เปลีกวิเวกพอบ่ายก็ต้องเดินทางกลับกรุงเทพแล้วฉันจดบันทึกไว้อย่างละเอียดละออว่ามานี้ได้อะไรบ้างสุดท้ายที่สุดก็คือประสบการณ์ครั้งแรกในฌานอันทำให้ความหวังใหญ่ในมรรคผลไม่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป เหมือนคนเริ่มเห็นภูเขาอยู่ลิบลิแม้ว่ายังไม่อาจสัมผัสยังไม่อาจเข้าถึงแต่ก็มีกำลังใจแล้วรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศกับภูเขาลูกนั้นอีกต่อไปทบทวนสมาธิสูตรเท่าที่จำได้พระพุทธเจ้าสนับสนุนให้พระสาวกเจริญสมาธิเมื่อเจริญสมาธิจนมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง นี่คือคุณค่าประการสำคัญของสมาธิที่มีผลต่อการเห็นกายเวทนาจิตและธรรมว่าถึงประเภทของสมาธิพระองค์ตรัสว่าสมาธิภาวนามีอยู่สี่ประการคือหนึ่งสมาธิเพื่ออยู่เป็นสุขเฉพาะหน้าคือสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุฌานสีระดับ ระดับแรกเรียกว่าปฐมฌานเทว่าตามเกณฑ์กําหนดสติรู้ลมหายใจก็คือมีความตรึกนึกในลมหายใจอันยืดยาวสม่ําเสมอมีอาการตามรู้แนบชัดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับลมหายใจประกอบกับมีมหาปีติมีความสุขสงบเยือกเย็นอันเกิดแต่วิเวกจิตเด่นดวงมั่นคงยิ่งกว่าหินผาเรียกว่าเอกาคตาจิต ปฐมฌมานนี้เองคือภาวะที่ฉันเพิ่งผ่านมาเมื่อครู่ระดับอื่นๆยิ่งละเอียดขึ้นไปเช่นทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในพระพุทธองค์ตรัสว่าความผ่องใสแห่งจิตนั้นเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะความตรึกนึกในลมหายใจสงบลงเหลือแต่ปิติและสุขเกิดแต่สมาธิดำรงอยู่ และเมื่อบำเพ็ญเพียรจนมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเวยสุข ด, ด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปก็บรรลุตัติยาฌานถัดจากนั้นถ้าทำถึงระดับไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ก็เรียกว่าบรรลุจตุตตะะฌานกล่าวโดวยสรุป คือเมื่อตั้งอยู่ในสมาธิเช่นปฐมฌานแล้วยอมได้ชื่อว่าสวยสุขในปัจจุบันหรือสีชีพรารนอกพุทธศาสนาก็เข้าถึงกันได้แต่พระพุทธเจ้าสนับสนุนให้ทาเพราะทาแล้วจะเกิดความรู้ชัดตามจริงไม่ถูกครอบงำด้วยกามพยาบาทความง่วงงุนความฟุ้งซ่านและความลังเลสงสัยใดๆกับท้งย้าชัดสาหรับผู้กลัวติดสุขในฌาน ไว้ในละทุกิกโกปมสูตรคือสุขอันเกิดจากฌานสมาบัตินั้นบุคคลควรเสพควรทำให้เกิดมีควรทำให้มากและไม่ขวัวกลัวในสุขนั้น 2. สมาธิเพื่อได้ญาณทัศนะคือการน้อมจิตกำหนดให้รู้สึกว่ากลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจอันสงัดเปิดเผย ปราศจากเครื่องรัดรึงหุ้มหอ่ออบรมจิตให้มีความสว่างอยู่เมื่อปีก่อนฉันเคยฝึกสมาธิแล้วเคลิ้มเห็นแสงสว่างเป็นดวงใหญ่ราวกับสปอตไลท์ฉายมาจากด้านหน้าก็นึกว่านั่นคือความสว่างของจิตที่พระพุทธองค์ตรัสถึงแต่อันที่จริงไม่ใช่จิตที่สว่างแจ้งราวกับกลางคืนและกลางวันเสมอกัร น, นั้น สว่างโล่งตลอดจากภาวะในตัวเองไม่ใช่เห็นแสงฉายมาจากทิศไหนแต่เป็นแหล่งกาเนิดแสงเลยทีเดียวความสุขสว่างในฌานทำให้ฉันเปรียบเทียบแล้วรู้การอบรมจิตให้มีความสว่างตามความหมายของพระพุทธเจ้าคือให้กำหนดในใจอยู่ตลอดว่ากลางวันกับกลางคืนเสมอกันจนจิตปลอดโปร่งและสว่างโล่งเป็นปกติ ไม่ใช่เฉพาะเมื่อเข้าฌานเท่านั้นสามสมาธิเพื่อสติสัมปชัญญะคือการรู้แจ้งเวทนาที de ่เกิดขึ้นรู้แจ้งเวทนาที่ตั้งอยู่รู้แจ้งเวทนาที่ดับไปรู้แจ้งอาการจำได้ที่เกิดขึ้นรู้แจ้งอาการจำได้ที่ตั้งอยู่รู้แจ้งอาการจำได้ที่ดับไป รู้แจ้งความตรึกนึกที่เกิดขึ้นรู้แจ้งความตรึกนึกที่ตั้งอยู่รู้แจ้งความตรึกนึกที่ดับไปอาการที่จิตตั้งมั่นรู้เห็นอย่างนี้มากๆคือสมาธิเพื่อทําให้เกิดสติสัมปชัญญะหลังจากเจริญสติปัฏฐานมาระยะหนึ่งฉันถึงเข้าใจว่าแค่รู้อาการทางใจโดยความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้น ยังเป็นเพียงสมาธิขั้นที่ก่อให้เกิดสติสัมปชัญญะไม่มีกำลังพอจะล้างกิเลสได้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนักจิตวิทยาหรือนักศึกษาบางคนตั้งสติดูความเกิดดับของอารมณ์ภายในแล้วจึงไม่บรรลุมรรคผลเพราะมุมมองของเขายัางไม่ท่วนสมบูรณ์ยังขาดความเห็นที่ตรงจุดซึ่งอันนี้ จัดเทียบได้กับสมาธิประเภทที่สี่สสมาธิเพื่อความสิ้นกิเลสที่หมักหมมหรือดองอยู่ในสันดานคืออาการที่เกิดขึ้นเป็นปกติของจิตเห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปในกายใจโดยทําความเข้าใจไว้แต่ต้นว่ากายใจนี้เป็นที่ตั้งของอุปาทานกายใจนี้คือบ่อเกิดของความรู้สึกว่า นี่เรานี่เป็นเรานี่ของเราหากเห็นแต่ละองค์เกิดขึ้นแล้วต้องเสื่อมสลายลงเป็นธรรมดาฐานที่ยืนของอุ ป, ปาทานย่อมพังคลื่นลงหมดสิ้นและนั่นเองสมาธิประเภทนี้ที่สั่งสมจนสมบูรณ์แล้วย่อมทำหน้าที่ประหารกิเลสให้ขาดสูญไปตามคำสัญญาที่พระพุทธองค์ประทานไว้แก่พระสาวก ที่ดำเนินตามรอยบาทแห่งท่านสมาธิแต่ละประเภทไม่ใช่ถึงกันได้ง่ายนักยิ่งที่จะทำให้ได้ครบทุกประเภทยิ่งหายากแต่หากดำเนินตามขั้นตอนของมหาสติปฐานสูตรด้วยความเข้าอกเข้าใจมีความอดทนไม่ด่วนหวังผลเกินกำลังภายในไม่กี่เดือนย่อมประจักษ์ผลบางอย่าง ที่ทำให้เห็นสัจจกความจริงลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆและถ้ามาถึงจุดที่แยกแยะได้ว่าเรากําลังทำสมาธิแบบใดก็เป็นอันลืมได้เรื่องหลงทางไปนิพพานฉันขับรถกลับกรุงเทพด้วยความรู้สึกของผู้สมหวังไม่เสียใจเลยที่ยังมาได้แค่ครึ่งทางสู่ดวงดาวการคว้าดาวไม่ได้นั้น ใช่สมัยความว่าดาวจะหนีหายไปไหนดาวก็ยังแขวน ร, รออยู่ที่เดิมการก้าวเดินไม่หยุดของเราเท่านั้นที่ทำให้เข้าใกล้ไปเรื่อยๆขอแค่ให้มั่นใจก่อนเถอะว่าเดินอยู่ในทางตรงจริงๆมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับรองความรู้สึกก็บอกตัวเองให้อุ่นใจราวกับได้มรรคผลมาแล้วทำนองเดียวกับคนมีพื้นฐานวิชาวความรู้ตลอดสาย ผ่านการสอบเลื่อนลำดับขั้นไต่สูงขึ้นมาเรื่อยๆขั้นต่อขั้นน้อยครั้งที่ย่ำกับที่เห็นแต่ความคืบหน้าของตัวเองก็ยอมเชื่อมั่นว่าพอถึงชั้นรับปริญญาก็ต้องผ่านอีกเป็นหนึ่งในผู้ได้รับปริญญาวันอย่างคำ่ำ